ก็กอบบูชาพระรัตนตรัยกอบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมุบรายอย่งพระอาจารย์พิพัฒน์นันเองแลเราเรียกกันหลวงพี่โก้แล้วก็ถวายความกรบมุบรายอย่งเพื่อนสาธมิกเจริญพรยังแม่ชีแล้วก็นับปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งกรนดานปกติเนาะมีความรู้เนื้อรู้ตัวนะ ฟังไปถ้ามันงว่วงมันงวกงวก่วงนะบางคนเดินทางมาไกลอาจจะรู้สึกง่วงนอนนะก็ปลุกตัวเองรูปเนื้อรูปตัวนะหรือใครจะยกมือสร้างจังหวะก็ได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดก็นั่งฟังเนาะเอาสาระประโยชน์นะสิ่งที่จะได้นำเสนอต่อไปนี้นะเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติ เท่าที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเมื่อตอนบ่ายนะกลุ่มที่มาประจำเดือนนะก็มากันเรียกว่าทั่วสารทิตนะจากเชียงใหม่ก็มีลงไปใต้ถึงภูกเก็ตก็มานะอีสานก็เยอะนะภูเขียวนะชาชยภูมินี่เองนะลาดบุรีก็มีนะ โอ้มากันหลายที่หลายทางนะก็มาพบกันที่วัดป่าสุกโตแหล่งรวมของพวกเรานะที่สนใจนะถามว่าตั้งใจจะมาทำอะไรที่วัดป่าสุกโตนะบางคนก็บอกว่าจะมาปฏิบัติธรรมนะบางคนก็บอกว่าจะมาฝึกจิตนะบางคนก็บอกว่าจะมาทำสมาธินะบางคนก็บอกว่า จะมาดูตัวเองนะก็เรียกว่ า, าหลากหลายและความตั้งใจนะมารุ่นนี้นี่ก็มีมีครอบครัวมาหลายครอบครัวนะยกครอบครัวมาเลยนะพ่อแม่ลูกนะออกมาหลายครอบครัวจากภูกเก็ตนี่ยกกันมาทั้งครอบครัวเลยนะจากกรุงเทพก็มีเนาะก็เป็นความอบอุ่น ในวัดป่าสุขโตก็เหมือนครอบครัวนะครอบครัวหนึ่งนะที่พวกเรามาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันนะหลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่าที่นี่ไม่มีใครแปลกหน้ามีแต่ญาติที่เพิ่งรู้จักกันนะแล้วท่านก็บอกเลยว่าที่เนี่ยนะเป็นบ้านของพวกเรานะบ้านที่อยู่นั่นบ้านหลังที่หนึ่งะที่นี่ก็บ้านหลังที่สองให้อุ่นใจ นอกขาดหรืออะไรให้บอกพระนะให้บอกแม่ชีให้บอกนักปฏิบัตินะที่อยู่ที่นี่นะให้ถือว่าเป็นญาติกันเป็นพี่เป็นน้องนะที่จะพากันเดินนะไปสู่ความพ้นทุกนะเป็นครอบครัวชาวพุทธนะที่จะพากันไปสู่ความพ้นทุกนะอันนี้เป็นเอ่อครอบครัวอ่ายกว่าครอบครัวสาธิต นะที่จะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านก็ได้ค้นพบทางแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาใหม่นะเพียงแต่เราเดินตามเท่านั้นเองนะทีนี้การเดินตามเนี่ยมันก็มีหลายทิศหลายทางเนาะบางคนก็เดินตรงทางบ้างบางคนก็เดินอ้อมบ้างนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูดีๆทางไหนมันทางตรงทางลัดนะตรงไหนทางอ้อมนะทางอ้อมก็เสียเวลาหน่อยช้าหน่อยนะถ้าทางตรงมันก็ลัดนะตรงไปเลยตรงไปสู่ความ้นทุกข์เลยนะอย่างที่เรามาที่วัดป่าสุขโตนะมาวัดป่าสุขโตก็ไม่มีเรื่องอะไรนะที่เราจะต้องทำนะนอกจากการมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเรา ธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะมันไม่ยากอย่างที่เราคิดเนะ่แต่มันก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะเพียงแต่ว่าถ้าเราทำถูกทำตรงนะมันก็ง่ายแต่มันถ้าทำไม่ถูกไม่ตรงทำไปตามใจตัวเองทำไปตามความคิดตัวเองนะบางทีมันก็ยุ่ ง, ย, งยากนะยิ่งที่ไกลใช้ความคิดมากๆอยากจะรู้ธรรมะด้วยการคิดเอาเนี่ยโอ้โหมันยากเลยนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยบคายสักนิดหนึ่งนในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคําเขียนก็ดีนะท่านก็ชี้ทางไว้แล้วสิ่งที่ท่านชี้เนี่ยนะก็ตรงกับที่พุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้ได้สอนเอาไว้นะโดยเฉพาะที่เรียกว่าสติปัฏฐานนะมหาสติปัฏฐาน นะซึ่งมีในพระไตรปิฎกนะว่าด้วยมาสติปฐานสูตรสติปฐานก็คือเอาสตินะเป็นฐานนะสติเนี่ยดูไปที่กายนะที่เวทนาที่จิตที่ธรรมนะก็เรียกว่าสติปฐานสี่นะแต่พูดภาษาบาลีนี่บางคนอาจจะงงงงสงสัยนะเอาง่ายๆว่าดูที่กายดูที่ใจ ใช้ความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วามาเป็นต า, นาที่จะดูกายดูใจของเราเพราะนั้นธรรมะเนี่ยาอาศัยอะไรเป็นเครื่องดูก็คืออาศัยสติอาศัยสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเรามีอยู่แล้วและมันก็มีทุกคนด้วยเรานั่งเราก็รู้ว่านั่งใช่ไหมเรายกมือเราก็รู้ว่ายกมือ เพียงแค่รู้เฉยๆอย่าไปรู้อะไรมากกว่า น, นั้นนะไม่ต้องไปแยกแยะว่ายกช้าหรือยกเร็วนะต้องรู้ทุกขณะไหมอะไรเงี้ยนะบางคนก็สงสัยนะเอาว่ารู้ทีละขณะทีละขณะไปใหม่ๆเนี่ยให้รู้กายมันเคลื่อนมันไหวให้รู้มันเคลื่อนมันหยุดนะอย่ายกฟรีๆนะการยกฟรีๆคื อ, อยังไง ยกไปใจก็ลอยคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะได้แต่ยกมือแต่ว่าใจไม่อยู่ที่มือใจไม่อยู่ที่กายใจมันล่องลอยไปกับความคิดนะอันนี้ก็เรียกว่าได้แต่ยกนะเรียกว่าไม่ได้เจริญสตินะหลงไปในความคิดโดยไม่รู้ตัวหรือบางคนยกแบบไวๆยกแบบอัตโนมัต ไม่มีหยุดเลยนะตรงนี้ก็บางทีมันก็เพลินไปนะมันก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะมันเพลินไปกับการยกนะแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่อยู่ที่การเคลื่อนการไหวใจมันหลงไปในความคิดนะเรียกว่าตรงนี้ก็เพลินไปเผลอไปเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้ามันรู้สึกว่าเพลินหรือมันเผลอเ น, นี่ยนะเราทำให้ช้าลงนิดหนึ่งพลิกแล้วก็เจตนาเจตนาที่จะระลึกรู้ ถ้าเราไม่เจตนาบางทีมันก็ทําไปลอยๆอย่างนั้นน่ะบางทีบางคนเนี่ยมันคนยกโอ้โหไวเลยปุบปับปุบปับปุบปับนะวันนี้ไม่มานะพระจีนรูปเนี้ยนะท่านไม่มาโอ้โหนะตรงนี้เนี่ยบางทีไม่รู้รู้ป่ะนะแต่บางทีก็ใจลอยๆไปอย่างนั้นนะะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเกิดเผลอเกิดเพลินเราก็ช้านิดนึงให้มันรู้นะเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะ รู้สึกตัวคำว่ารู้เนี่ยคือรู้สึกตัวนะไม่ใช่รู้อะไรมากกว่านั้นทีนี้พอเรารู้ที่กายมันเคลื่อนมันไหวเนี่ยนะมันก็จะมีอาการของกายที่มันแสดงถ้าเรานั่งไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะแสดงออกให้ชัดๆก็คือความปวดความเมื่อยใช่ไหมมันปวดมันเมื่อยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอาการของกายที่เขาแสดงออกมาทีนี้ปวดเมื่อยแล้วเราจะทํำยังไง แน่นอนล่ะเราก็ต้องเปลี่ยนอ e ียบทสิใช่ไหมหรือเราจะทนนั่งต่อไปนะการเปลี่ยนอ e ียบทอย่าเปลี่ยนทันทีให้มันขอแล้สักสามครั้งก่อนให้มันปวดเมื่อยสักสามครั้งการนี้มันปวดเมื่อยสามครั้งเพื่ออะไรเพื่อฝึกความอดทนนะไม่ใช่พอปวดเมื่อยปุ๊บเปลี่ยนทันทีนะตรงนั้นเราจะพลาดโอกาสที่จะได้ฝึกความอดทนนะถ้าเราปรวดเมื่อยปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ฝึกความอดทน เพราะฉ <c oughs> ะนั้นตรงนี้เนี่ยได้ความหมดทุนอันที่สองก็คือเราจะได้เห็นจิตใจที่มันงุกหงิดขึ้นมานะมันมั น, ม, นมันเจ็บมันปวดแล้วก็งุกหงิดขึ้นมามันไม่ค่อยพอใจนะภาษาบาลีเขาเรียกว่าปฏิฆะนะมันเกิดความงุกหงิดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เรียนรู้จิตอีกและเพียงแค่รอการปวดกันเมื่อสักสามครั้งแล้วปกครั้งที่สามเราจะเปลี่ยนเราก็เห็นนะเห็นการเปลี่ยนแปลง พอเราลุกเราก็จะเห็นเลยร่างกายมันจะค่อยคลายออกนะแล้วเราลุกยืนนะลุกยืนดีๆถ้ามันเป็นเหน็บก็ชา้ชาๆนะพอมันคลายออกเนี่ยเราเจนเลยกายมันก็จะผ่อนคลายลงไปความปวดควาเมื่ยมันจะหายออกไปเห็นการเกิดการดับของความปวดความเมื่อยเลยเห็นไหมเนี่ยการเกิดดับของกายของความปวดเมื่อยไม่ได้ยากอะไรเลยมันแสดงตัวเราโอ้มันอย่างนี้เลยเหรอ แล้วดูจิตดูใจเราพอใจใช่ไหมแต่กี้นี้ไม่พอใจใช่ไหมปฏิฆะใช่ไหมพอหายปวดหายเม่ออ๊ยพอใจขึ้นมาเขาเรียกราคะเนี่ยราคะปฏิฆะเนี่ยง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราคิดเนี่ยเราเรียนจากกายของเราเนี่ยนากายมันปวดมันเม่แค่การปวดการเมื่อเราสามารถจะเรียนธรรมะได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับ นะเป็นเรื่องที่เราสามารถสัมผัสได้สำคัญก็คือว่าสติของเราเนี่ยมันคมชัดหรือยังใหม่ๆอาจจะยังไม่คมชัดก็ไม่เป็นไรทำซ้าแล้วซ้าอีกนะทำอยู่บ่อยๆในรูปแบบนี้ทำให้มากๆอย่าไปคิดว่า ม, มันทำรูปแบบเดี๋ยวจะติดรูปแบบนะไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำเลยนะเรามีสติในการงานก็ได้ไอ้นั่นจริงนะแต่ถ้าคนใหม่ๆเนี่ยอย่าไปประมาณ อย่าไปประมาทอย่าไปดูถูกรูปแบบนะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักให้ใจเนี่ยไม่หลงไม่หลงไปกับความคิดไม่หลงไปกับอารมณ์กระแสความคิดก็ดีกระแสอารมณ์ก็ดีเหมือนกระแสน้ำมันพัดผ่านนะพัดผ่านใจแล้วใจเราจะหลงไปกับมันทีนี้จะทำยังไงที่เราจะให้ใจไม่พัดหลงไปในกระแสความคิดก็คือต้องมีหลัก หลักให้มันเกาะมันยึดหลักที่จะเป็นเกาะยึดก็คือกายนี่แหละที่มันเคลื่อนมันไหวไม่ใช่กายที่นิ่งกายที่เคลื่อนที่ไหวเนี่ยมันจะทำให้ใจเนี่ยมันมีที่เกาะแล้วใจมันก็จะตื่นรู้น่าเป็นความรู้สึกตื่นรู้ขึ้นมามันก็จะไม่พัดหลงไปกับความคิดความคิดเนี่ยนะมันจะมีอยู่ตลอดเวลาแหละส่วนใหญ่นะแต่มันก็มีบางช่วงที่มันอาจจะหยุดบ้างแต่ใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหมันเยอะแยะเหลือเกิน นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเคยทาการวัดนะว่าคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคิดกี่เรื่องทราบไหมหกมื่นเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะหกหมื่นเรื่องหรือบางทีตอนนอนยังฝันอีกนะฝันกับคิดนี่คืออันเดียวกันนะเนอะเยอะไหมโอ้โหหกหมื่นเรื่องเป็นไปได้ไงไม่รู้นะแล้วเราเสียพลังงานไปกับความคิดเนี่ย เยอะมากๆสังเกตดิวันไหนเราคิดมากเนี่ยวันนั้นมันจะเพลียทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ไปออกกำลังที่ไหนเลยใช่ไหมทีนี้พอเรามาฝึกสติเนี่ยตัวสติตัวความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันจะเป็นตัวตรงกันข้ามากับความคิดก็คือถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะไม่คิดแต่ถ้าเราคิดเราจะไม่รู้สึกตัวเหมือนความมืดกับความสว่างนะอย่างอย่างที่ศาลาเนี่ยถ้าเราปิดไฟมันก็จะมืดใช่ไม ความมืดครอบงานหมดเลยทีนี้เราจะสว่างเราเปิดไฟความมืดมันก็ไปนะเหมือนกันความคิดถ้าเราจะไม่ให้คิดหรือคิดน้อยลงเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะมันแทนที่กันเพราะนั้นการที่เรามายกไม้ยกมือเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อปลุกความรู้สึกตัวนะให้มันมีมากๆให้มันฉับไวขึ้นให้มันเข้าไปแทนที่ความคิดถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ย ใจของเราเนี่ยมันจะหลงไปกับความคิดนะบางทีก็คิดไปถึงเรื่องอดีต ท, ที่เป็นความสุขนะเป็นความประทับใจเราก็จะรู้สึกพอใจมีความสุขใจก็ฟอกผูนะฟูขึ้นนะเลยไปคิดถึงความเอ่อความทุกข์เก่าๆนะใจมันก็แฟบลงนะเพราะนั้นบางทีเนี่ยนะใจมันก็จะเรียกว่า ฟูบ้างแฟบบ้างพองบ้างแฟบบ้างเนี่เขาเรียกว่าใจไม่ปกตินะถ้าเราอย่างนี้บ่อยๆคนไหนที่ใจไม่ปกติบ่อยๆ อ, อย่างเงี้ยสุดท้ายจะเป็นโรคประสาทเป็นโรคเครียดหรือถ้าสุดท้ายไม่ไหวจริงๆ จ, จะเป็นบ้าไปเลยธรรมชาติมันจะบอกเป็นบ้าไปเลยไม่รับรู้อะไรละเพราะฉะนั้นที่เรายังไม่เป็นบ้าเรายังเป็นโรคประสาทส่วนใหญ่เนี่ยเพราะมีใจปกติมันรักษาเอาไว้ ที่เรานั่งฟังอยู่ตอนเนี้ใจเราปกติเฉยๆใช่ไหมไม่ดีใจไม่เสียใจมันเฉยๆปกติใช่ไหมอันนี้แหละน่าเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของใจนะบางทีเขาก็เรียกว่าเออสภาพอะไรนิพพานชั่วคราวนะเป็นสภาพที่หล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตเป็นปกติสุขนะถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยนะโอ้เราเป็นบ้าเป็นบอไปหมดละนะเพราะนั้นตรงนี้แต่ ความเป็นปกติของใจส่วนใหญ่เราไม่ค่ยเห็นความสําคัญมันเท่าไหร่เราไปเราไปหลงกับความสุขอะรักสุขเกียดทุกข์สุขอยากยาเข้ามาใจมันก็ฟูขึ้นทุกข์ก็อยากจะถีบมันออกไปพูดแบบถีบมันออกไปผลักมันออกไปนะตรงเนี้ใจมันก็ไม่ปกติเพราะฉะนั้นสังเกตดูที่เราเครียดกรดีเรามีความทุกข์กรดีเพราะเราไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้จุดสําคัญตรงนี้ การมาฝึกสติเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยให้ใจนมีสติอยู่กับกายเมื่อ ใ, ใจมีสติอยู่กับกายใจมันก็จะเป็นป ก, ปกตนะิซึ่งสภาพอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลภาษาบาลีศีลอันนี้ไม่ต้องมาขอจากพระไม่ต้องมาสมาทานมันเกิดขึ้นเองเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะนก็จะรักษาความเป็นปกติทีนี้ถ้าเราทําซ้ําแล้วซ้ําอีกใจตั้งมั่นมันก็จะเป็นสมาธินะเป็นสมาธิ แล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็จะเกิดปัญญานะัก็เรียกว่าเสนสมาธิปัญญามันเคยมีนิทานนะหลวงพ่อคำเขียนเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่ามีมีพระรูปหนึ่งนะเขาเรียกว่าอย่าอคเเบียบเทียบกันลกันนะมีนายพรานคนหนึ่งไปเรียกว่าไปได้เสือมาตัวลูกเสือไอ้เสือตัวนี้นะมันมีปากหกปาก แต่และปากกินอาหารไม่เหมือนกันนะพอเลี้ยงมันโตขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ดุเด ท, ทำไงก็ต้องใส่กงใช่ไหมกงแรกเนี่ยนะก็บอกว่ามีเหล็กเนี่ย227ซีกปรากฏ227ซีกเนี่ยนะก็กัดขังมันไม่ได้มันกัดหมดเลยมันมีหกปากเนี่ยมันกัดหมดเลยอ่ะ227 ซีกไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเอากรงขังสิบซีกมีเหล็กสิบซีกเอามาขังมันนะลดลงไปมันก็กัดโมดเดียนะตอนหลังก็เอาห้าซีกมันก็กัดหมดเลยนะสุดท้ายเนี่ยมีกรงชนิดหนึ่งใช้ซีกเดียวเนี่ยเอ้ยมันกัดขังไอ้เสือตัวนี้ได้ไหมะนะนิทานนี้มันเป็นปิศนานะเขาบอกบางทีพระเนี่ยบวช สอง้อยิบเจ็ดข้อเนี่ยทีรักษาไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้คุมใจอ่ะสิตัวเดียวที่ว่าไอ้เหล็กซีกเดียวนี่ก็คือใจอ่ะนะที่เราสติอ่ะที่คุมคุมใจถ้าเราคุมใจได้เนี่ยนห้าสินแปดสิน 8, สิบศินสองอยีิบเจ็ดเนี่ยมันจะคุมได้หมดเลยเพราะนั้นการที่เรามาฝึกเนี่ยนะเราใช้ศีลคือความเป็นปกติของใจเนี่ยมันจะคุมได้หมดเลย ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นเช่นมันเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติเราจะเห็นแล้วมันจะไม่โกรธออกไปนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยจึงมีอา น, นิสงส์มากนะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับรอยเท้าช้างเนี่ยเป็นที่รวมลงของรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายความไม่ประมาทเนี่ยเป็นที่รวมลงของคุณธรรมทั้งหลายซึ่งความไม่ประมาทก็คือการมีสตินั่นเอง ก็ทิ้งบอกว่าสติในมุมทางสายเอกเลยที่เรามาฝึกกันมาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุโกโตเราก็จะพูดแต่เรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยเดี๋ยวอย่าฟ้งยิ่งอาจารย์สงเสริ์จะบอกใจมีสติอยู่กับกายนี่คือสร้างเหตุเมื่อใจมีสติอยู่ ก, กายนับผลลัพธ์ก็คือใจปกติซึ่งใจปกติก็คือใจที่มีสีนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ให้เราฝึกตรงนี้ให้สําคัญ ทีนี้รูปแบบเนี่ยนคนใหม่เนี่อัตามาก็ได้นำไปแล้วคนเก่าก็ก็รู้แล้วาการเดินจงกรมการสร้างจังหวะพยายามที่จะรู้ระลึกรู้กับการเคลื่อนการไหวของกายอย่าพึ่งไปยุ่งกับความคิดมันมันคิดอะไรขึ้นมาก็ทิ้งไปก่อนคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาตั้งใจคิดก็ยังไม่เอาไม่ตั้งใจคิดก็ยังไม่ต้องเอาทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วไม่คิดเนะ่ยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกตัวเขาจะจัดระเบียบความคิดอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยโอ้โหทํางานหัวโล่งอะไรกันแล้วกันถ้าเราทําอย่างนี้ได้ได้เนี่ยนะหัวมันจะโล่งนะความคิดมันจะน้อยลงตัวสติมันจะเด่นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจึงไม่ต้องไปยุ่งกับความคิดและไม่ต้องไปกลัว จิตเนี่ยมันมีหน้าที่คิดมันจะคิดของมันเรื่อยหละ่ะใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่อยู่เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลๆ ก, กันแหละหรือจะเป็นเรื่องใกล้ๆกันแหละนะเรื่องอะไรที่เราประทับใจเนี่ยที่มันฝังอยู่ในใจเนี่ยเรื่องราวในใจเนี่ยมันจะผุดขึ้นมานะเป็นผุดขึ้นมาเขาเปรียบเทียบเหมือนกับคนโบราณเขาไปขุดน้ําบาดาลหลวงพ่อเทียนเคยเล่าให้ฟัง ไปขุดน้ําเนี่ยน้ําแรกที่ขึ้นมามันจะเป็นน้ําโคลนโห้สกปรกก็ต้องตักทิ้งตักทิ้งนะจนสุดท้ายในน้ําจะใสการฝึกสติเนี่ยเรื่องราวที่คิดเนี่ยสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบเราทําไม่ดีมาซึ่งไม่มีใครรู้อ่ะแต่มันเก็บไว้อยู่ในใจเรามันจะแสดงตัวออกมาเราทําไม่ดีตั้งแต่เล็กๆนะหรือเร็วๆนี้ นะมันจะผุดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเรามีหน้าที่อย่างเดียวมันผุดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปห้ามมันนะกลับมันรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวพอเรากลับมารู้สึกตัวเดี๋ยวเรื่องมันจะผ่านไปแล้วมันจะมีเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกเราก็กลับมารู้สึกตัวอีกนะอันนี้ก็เรียกว่ากิเลสปันห้าตันหาร้อแปดสารพัดน่ะที่มันจะมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นการชำระล้างชำระล้างสิ่งที่หมักหมมอยู่ในจิตในใจก็เรียกว่ามนทินเครื่องเศร้าหมอง ที่มันอยู่ในจิตในใจไม่มีใครรู้เรารู้อยู่ของเราคนเดียวเราคงเคยได้ยินนะคนโบราณก็บอกว่าถ้าทำดียงบาบาลจะจดไว้ที่แผ่นทองคำถ้าทำไม่ดีจดจดไว้ที่หนังมาเน่าใช่ไหมเราเชื่อว่ามีไหมนี่อยู่ในใจเราเนี่ยเราบันทึกเอาเองหมดยงบาบาลจะทั่วเราอะ ความดีความชั่วทั้งหลายอยู่ในจิตในใจเมื่อเรามายกมือสร้างจังหวะมาเดินจงกรมเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้นจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเหมือนกับตอนที่พระเจ้าองค์ก่อนจะตัดสรูวท่านละลึกชาติคำ ว, ว่าละลึกชาติเนี่ยมันมีสองในในหนึ่งคือย้อนหลังไปไกลตายไปแล้วเป็นพบเป็นชาติอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องราวในอดีตที่เราทำเนี่ยมันผุดขึ้นมาเนี่ยการละลึกชาติ เป็นระลึกชาติในแต่ละขณะแต่ละนะหนึ่งเรื่องคือหนึ่งภพหนึ่งชาติน่ะเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นการระลึกชาติไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนะเป็นเรื่องที่เราสามารถเห็นได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นการชำระล้างเพราะฉะนั้นในโอวาทปาธิโมกบอกว่าละชั่วทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ละชั่วเนี่ยเรารู้ทำดีเราก็รู้แต่ชำระจิตนี้ทำยังไงนะ เนี่ยเรามาจเจริญสติมันจะชำระสิ่งที่มันหมักหมมในใจเรื่องราวต่างๆที่เก็บไว้ในใจเนี่ยบางทีมันก็ทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองพอเราชำระล้างก็คือกลับมารู้สึกตัวการกลับมารู้สึกตัวก็คือการชำระล้างเหมือนกับการซักผ้าล้างสิ่งที่มันหมักหมมในใจเรื่องราวต่างๆที่มันเคยหนัก อ, อกหนักใจหนักหัวเนี่ยมันจะได้โล่งได้เบาอย่าเพิ่งเชื่อนะ ลองมาพิสูจน์ดูภายในห้าวันเจวันเนี่ยที่เรามาปฏิบัตินะไม่ต้องไปห้ามมันนะความคิดเนี่ยแต่ก็ไม่ตามมันมันคิดให้รู้แล้วกลับมารู้สึกตัวมันคิดให้กลับมารู้สึกตัวใหม่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยทันหรอกไม่เป็นไรเรารู้ตัวเมื่อไหร่กลับมาเมื่อนั้นบางทีมันเรื่องมันยาวเลยนะเรื่องมันเรื่องก็สั้นแล้วแต่ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นหนังชีวิตละครชีวิต ที่ตัวเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นภาพยนตร์ละครชีวิตจริงๆที่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกสุขหรือไม่ทุกไม่สุขมันจะแสดงออกมาหมดนี่คือความจริงที่แสดงออกมาที่ปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะการเห็นธรรมะก็คือเห็นตรงเนี้ไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงเห็นดวงแก้วนายเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรที่เขาพูดกันอันนี้มันไกลตัวไป นะซึ่งอันนั้นต้องอาศัยความสามารถพิเศษนะแต่นรกสวรรค์นในอกนรกในใจเนี่ยชัดๆเลยพอเราทุกข์ขึ้นมาก็นั่นานรกนะพอเรารู้สึกมีความสุขนั่นนะ่ะสวรรค์นนัะ่นแหละคนโบราณก็บอกสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีสติ อ, อมันหนีนะนิพพานก็คือไม่ต้องขึ้นสวรรค์ไม่ต้องลงนรก ปกติเฉยๆอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะนั้นนิพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้นะแต่ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าอวดตัวว่านิพานอะไรนะที่พูดนี่คือนิพานชั่วคราวอะ่ะแต่เราสัมผัสมั น, มนบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะยาวเองมันก็จะถาวรไปเองแต่พูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าตัวธรรมะเองถึงแล้วนะไม่ใช่นะกําลังเดินทางเหมือนกันได้เห็นเห็นทิศทางแล้วเห็นแสงที่ปลายอุโมงล้ว ว่าไปทางเนี้ยไม่ผิดทางแน่นอนสัมผัสความเป็นปกติทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยในเวลาเดียวกันเห็นนรกเห็นสวรรค์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจนี่แหละคือของจริงที่เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ไม่ต้องไปอาศัยโอ้โหนะบางคนต้องฝึกให้ได้อปัญญาอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ที่ได้ฝึกฝนจริงๆแล้วเขาก็มีวาสนาที่จะเป็นอย่างนั้นนะ เราเอาอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็สามารถที่จะปลดปล่อยนะความทุกขนะ์ความหนัก อ, อกหนักใจออกไปนะตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นคุณค่ า, าของการฝึกอา น, นิสงส์ของการปฏิบัติจริงๆะฉะนั้นตัวสตินะมันจะนำทางเราไปมันเหมือนเป็นแสงสว่างเป็นโคมทองส่องชีวิตให้เดินทางไปแล้วทางเนี้ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถากถางไ้แล้ว เราไม่ต้องไปคิดใหม่เลยเดินไปตามทางขออย่างเดียวเราอย่าพึ่งท้อนะถ้าเจอความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านความสงสัยลังเลพวกนี้มันจะเป็นอะไรล่ะมีตัวมาขวางกัน้นนะก็เรียกว่านิวรธรรมหลายคนนะตั้งใจมาปฏิบัตินะอยากจะมา รู้จักตัวเองอยากจะมาเห็นธรรมะแต่พอมาเจอความง่วงแค่นั้นน่ะดานความง่วงเนี่ยถอยเลยหรือบางทีก็ทำไม่ตามใจตัวเองเลยง่วงเหรอก็ไม่เห็นยากก็นอนดิใช่ไหมพอไปนอนเสร็จนอนอิ่มก็มาเดินตเดินต่อแล้วก็บอกสบายไอ้นั่นน่ะมันสร้างนิสัยขี้เกียจแล้วมันไม่เข้มแข็งอ่อนแอเพราะฉะนั้นระหว่างปฏิบัติเราจะไม่นอนกลางวันนะแต่กลางคืนต้องนอน สมัยที่อาตมาฝึกกับหลวงพ่อเทียนนัานบอกกลางวันไม่นอนนะกลางคืนนอนบางทีเราทำฝึกตอนกลางวันเเบื่อมันง่วงนะขอไปนอนสักนิ่นึ่งนะไม่เอานะมาฝึกเนี่ยอย่าแอ บ, บไปนอนล่ะ <c oughs> อาตมาไม่ไปตามหรอกแต่ว่าโยมต้องดูแลตัวเอง <c oughs> เอาถ้าไม่นอนแล้วจะทำไงมันง่วงแล้วจะทำไงอ่ะเอา้าเราก็หาทางแก้สิใช่ไหมนั่งมันง่วงใช่ไหม ยกมือช้าๆมันง่วงก็ยกให้มันเร็วสิเออมันไหนใจอ่อนๆหายใจแรงๆก็ไปยกมือช้าๆยกมือให้มันเร็วสวนกับมันเลยถ้านั่งแล้วทําแล้วยกแล้วมันยังไม่หายง่วงลุกขึ้นเดินเออต้องแก้มันนะเนี่ยเราต้องฝึกมันอย่าไปตามใจมันกิเลสเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะพ่อแม่เอาอกกอาใจจนทําให้เด็กอ่อนแอโลกสมัยใหม่คือต้อง เรียกว่าอ่อนแอเพราะว่าเลี้ยงตามใจเราก็เหมือนกันเราก็ตามใจกิเลสของเราที่เราอ่อนแอที่เราขี้เกียจเนี่ยเพราะเราตามใจกิเลสมันง่วงก่อ น, นอนนะไม่ฝืนมันเลยคนจะเข้มแข็งได้มันต้องฝืนแล้วต้องแก่มันง่วงก่ลุกกันเดินเดินแล้วยังง่วงอีกทางงําไงเดินให้เร็วขึ้นสิจะไปเดินช้าๆอยู่ทําไมอ่ะไปจดจดจ้องจ้องทำไมอ่ะเดินให้มันเร็ว เดินหน้ามันยังง่วงกว่าเดินถอยหลังเอ่ะก็เล่นมันอย่างเงี้ยนะเรียกว่าไม่ย้อนกับมันนะลองดูสิมันจะง่วงสักแค่ไหนสุดท้ายมันแพ้แพ้คนนี้ใจแข็งมันจะเจอความตื่นน่ะแต่มันไม่ได้ตื่นแล้วมันจะหายง่วงเลยนะเดี๋ยวมันก็ง่วงเหยือเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเรียนรู้จากความง่วงเนี่ยความง่วงเนี่ยเป็นบทเรียนบทที่หนึ่งสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ว่าด้วยความง่วงมันจะมีความง่วงความตื่นความง่วงความตื่น เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นธรรมะนะนิวรธรรมนะความง่วงความฟาุ้งซ่านนะบางทีมันก็ทําให้เราอ๋ออะไรคิดอีกแล้วนี่มีบางคนตั้งใจบอกเคยไปฝึกวิจารณ์นั้นวิธีนี้แล้วมันไม่หยุดคิดเลยว่าอยากจะให้มันสงบอ๋อไปคิดอย่างนั้นได้ไงมันคิดก็รู้แล้วไม่ต้องไปสนใจมันเรามาฝึกอันนี้ไม่ฝึกไม่ใช่ว่าไม่คิดนะแต่คิดให้รู้ทัน ไม่ห้ามนะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นะความคิดน่ะนะเราไม่ยุ่งกับมันไม่ต้องสนใจมันเหมือนกับคนมาเยี่ยมบ้านเราเนี้ยเราไม่ต้อนรับเดี๋ยวมันก็ไปนะความคิดก็เหมือนกันมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาเดี๋ยวมันก็ไปถ้าเราไปต่อแยไปยุ่งกับมันนะพยายามไปห้ามมันนะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอ่ะมันได้กกับยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเพราะฉะนั้นมันมาก็มาแล้วก็เราก็ไม่สนใจเราสนใจอยู่กับการเคลื่อนการไหว เดี๋ยวมันจะอ่อนกำลังไปเองแล้วเรื่องราวมันก็จะออกมาใหม่ๆเรื่อยๆเรื่องที่เราเคยทิ้งไปแล้วมันก็จะผ่านไปมันจะมีเรื่องใหม่ๆมาให้เราดูตรงนี้จะสนุกเพระาะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นชานน ก, กีฬานะก็คือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งกีฬาทางจิตที่เราจะเล่นกับตัวหลงกับตัวรู้ความคิดกับความรู้สึกตัวนะเพระาะฉะนั้น สังเกตไหมเราอยู่ที่นี่เราไม่ต้องดูโทรทัศน์ก็ได้เราไม่ต้องดูหนังก็ได้เอา้าก็หนังชีวิตมันแสดงให้เราเห็นทุกวันแปลว่าเออมันมีงานให้เราทําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราได้ฝึกนะเราได้ทําให้มันต่อเนื่องนะโอ้นสนุกนะแต่ใหม่ใหม่ ม, มันจะไม่ค่อยสนุกหรอกเบือ่อนะแต่มาไปฝึกใหม่ๆหม่ก็ยังเหมือนพวกเราเนี่ยเบือ่อแต่เราไม่ยอมแพ้เนี่ยเราตั้งใจแล้วเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุโกโตเจดวันจะอยู่ให้ได้เจดวัน แม้ว่าความเบื่อมันจะชวนไม่ให้เราอยู่เราก็ทนทุซีไปสติยังไม่มีขันติไปก่อนขันติปรมังตะโปติขาขันติเป็นธรรมะนาเผากิเลสเพราะฉะนั้นเล่นตรงนี้ไปก่อนเนาะยิ่งเรามีกลุ่มมีหมู่มาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมันก็อบอุ่นใจบางคนนี่มาคนเดียวบางทีก็เหงาว้าเวมาวัดป่าสุโขโตโอถ้ามาคนเดียวอินทรีย์ไม่แข็งนี่นะ อยู่ยากเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยคนจะมานี่ได้ต้องกูอินทรียแข็งนะคนอินทรีย์ไม่แข็งนะี่อยู่วันสองวันก็เปิดแนบแล้วเพราะอะไรหนึ่งบางทีอ่ะไม่มีคนแนะอ่ะจะจะจะเริ่มต้นอย่างไรอ่ะใช่ไหมอดีไม่ดีบางคนก็เปลี่ยนตั้งใจจะมาปฏิบัติไปมาอ่ะไปทําครัวแต่ละอ้าวเออเปลี่ยนใหม่ไปละวนะก็ดีเหมือนกันนะแต่เอาทําบ้างไม่ต้องทําทั้งวันนะทําครัว ช่วยบ้างนะเปลี่ยนแผนไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจไว้มาปฏิบัติปฏิบัติเลยนะแล้วก็ถ้าไม่มีใครแนะนะก็ช่วยตัวเองบ้างดูจากหนังสือบ้างก็ได้แต่หนังสือก็อย่าไปดูมันทั้งวันนะบางคนเนี่ยเห็นบางคนดูอยู่นั่นแหละเหมือนกับคนเดินทางดูแต่แผนที่อะไม่ลงที่ไม่ลงเดินสักทีเพราะนั้นหนังสือเนะี่ยอย่าไปดูมากดูนิดเดียวพอรู้ทางลุยเลย หนังสือเล่มใหญ่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยกายใจเราเนี่ยนี่คือหนังสือเล่มใหญ่พระไตปิฎกอยู่ที่เนี้ยนะแปดหม่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยนะวันก่อนไประยองนี่หลวงพ่อมหาลหัยท่านบอกว่าพระไตปิฎกเนี่ยอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเนี่ยนะมี 84% ดหมพันพระธรรมอยู่ที่ปากคําพูดอยู่ที่ใจอยู่ที่กาย เพราะ น, นั้นเราเรียนปัจจบิดกที่นี่เลยอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆที่มันแสดงนี่แหละคือธรรมะที่ถอดออกมาอยู่ในปัจจยบิดกเพราะ น, นั้นไม่ต้องไปอ่านปัจจบิดกกระด้งจริงบางคนไปอ่านปัจจบิดกแล้วไม่รู้เรื่องแต่พ อ, field, พอปฏิบัติรับกลับไปจะรู้เรื่องเพราะนั้นหนังสือนี่ไม่แนะนํานะไม่แนะนําให้อ่านมากปฏิบัติลงไปเลยถ้าคุณมัวอ่านหนังสืออยู่คุณก็เดินเดินทางดูแผนที่อยู่นั้นไม่ลงมือสักที นะลุยไปเลยนะแล้วถ้ามีปัญหาอย่างไรก็มาพูดมาคุยนะมาสอบถามกันนะคนที่เขาเดินทางไปเขาจะบอกอ๋อมันติดตรงนี้ติดตรงนี้ไปตรงนั้นสิไปตรงนี้สิแล้วเราก็ลองทําอย่างวังทีเราปฏิบัติละมุนละมุนเราเครียดจะทํำยังไงเออมันมีวิธีแก้อยู่นะให้เราลองทําดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปหาคําตอบไม่ตรงไปถามไอ้นู่นในนี่สงสัยมากบางทีบางทีมันก็คิดก่อนนะ พยายามจะไปรู้ก่อนที่มันจะเกิดนะ่ะอันนี้มันจะช้าแดังนั้นเราฝึกลงไปเลยลองผิดลองถูกนะหลักมีอยู่แล้วรูปแบบมีอยู่แล้วเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยทีนี้นอกจากการทำในรูปแบบสิ่งสำคัญก็คือในชีวิตประจำวันหลายคนนะเดินจงกรมสร้างจังหวะดีๆมีสติดีๆแต่พอออกจากลานจงกรมไม่รู้สึกตัว รีก็าหาเพื่อนคุยหรือบางคนมีโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เล่นเฟ e b o o k เล่น l ลน e มันเพลินไปกับอันนั้นละสติที่เราเรียนมามันหายไปหมดแล้วนะก็เรียกว่าอาทาทีละนิดทีละหน่อยเอาน้ำใส่ตุ่มไว้เนี่ยพอเราไปพูดไปคุยไปสื่อสารากันนู้เนี่ยรู ม, มันรั่วเนย เพราะฉะนั้นกลุ่มประจำเดือนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะขอเก็บโทรศัพท์นะเครื่องมือสื่อสารทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อที่จะไม่ต้องให้มันไปสื่อสารเราสื่อสารมามากแล้วเนาะในช่วงที่เราปฏิบัติ5วัน7วันเนี่ยตรงเนี้มันจะช่วยทําให้เป็นการป้องกันให้เราได้มีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องนอกจากการทำในในรูปแบบแล้วก็พยายามที่จะมีความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการเคี้ยวนะการนุ่งการหม่มในแม้อย่างพระเนี่ยการนุ่งห่มจีวรเนี่ยนะเป็นการฝึกสติอย่างหนึง่งถ้าสังเกตอาตมาบวชวันแรกอาตมารู้เลยพุทเจ้าเนี่ยโอ้โหฉลาดมากทําไมไม่ตัดเป็นเสื้อเหมือนยังพวกเราเลยเป็นผืนเนี่ยมันม้วนม้วนมว น, มว น, ม, ว น, ม, วนมวนเนี่ยไอการม้วนแต่ละ แต่ละรอบแต่ละรอบนี่ก็คือเรามีสติอยู่กับการนุ่งห่มไงเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ม้วนไปอย่างนั้นเองเนี่ยการนุ่งการหม่มการขบฉันเคยไหมกินข้าวแล้วมันไปกัดลิ้นตัวเองอะ่ะเนี่ยคือไม่รู้สึกตัวอนะ่ะรีบกินอนะ่ะหนึ่งคำเนี่ยเคี้ยวกี่ครั้งลองนับดูสิแงจันทวงศินนั่ น, นก็บัญญัติศัพท์ของท่านมานะ หนึ่งคำถ้าห้าสิบครั้งนี่ยกาเรียกว่าฉันถ้าหนึ่งคำสี่สิบครั้งก็เรียกละปะทานถ้าหนึ่งคำสามสิบครั้งเขาเรียกว่ากินต่ำกว่านั้นเขาเรียกว่าอะไรอะของเราเป็นยังไงเราฉันเราละประทานเรากินหรือเคี้ยวอึก๊กเคี้ยวอึก๊กคืออะไรนี่คืออาการ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะฝึกได้กับการกินนะการอาบน้ําเออเนี่ยตะกี้นี้อาบน้ํามีสติไหมหนึ่งครั้งเนี่ยกี่ขันโดนตัวกี่ครั้งลดไปสิบขันเนี่ยโดนตัวกี่ครั้งตรงนี้ต้องช่วยกันประหยัดน้ํานะคนมีสติเนี่ยจะช่วยประหยัดทรัพยากรในการใช้ด้วยาบางทีอาบน้ําไปสิบครั้งเนี่ยโดนตัวสองครั้งเองเพราะฉะนั้นอาบน้ํามีสติคือ ลดทีละทีละขันแล้วถ้าอากาศร้อนๆไปลดหัวเนี่ยเป็นหวัดเลยนะต้องลดที่เท้าก่อนแล้วค่อยขึ้นมานะอันนี้ก็ให้มีสติในการอาบน้ําในการกินในการดื่มในการเคี้ยวนะนแม้ในในการนุ่งการหม่มการหลับการนอนอย่างเราอยู่กุฏิเนี่ยให้เราจัดระเบียบกุฏิให้ดีที่มันสกรปรกลกลงหลังเก็บให้เรียบร้อย นะอันนี้ก็เรียกว่ามีสติในการอยู่อาศัยไม่ใช่ปล่อยให้มันลกลุกลังเลยฝึกสติเดินจงกรมสร้างจังหวะดีๆแต่ว่ากุฏิลกลุกลังเลยโอ้นี่มันก็ไม่ใช่ลนะคนมีสติเนี่ยสังเกตดู่ที่อยู่ที่หลับที่นอนจะสะอาดสะอานเป็นระเบียบนะแต่คนที่เรียกว่าลกลุกลังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสติอ่ะนะตรงนี้ให้สังเกตดูตัวเราเองนะอันนี้ก็คือมาดูตัวเราเองอันไหนที่ควรจะทา เพราะนั้นการฝึกสตินั้นไม่ใช่มาแค่ยกมือเดินจงกรมสร้างจังหวะนะให้มีสติในทุกกิจวัตรประจาวันมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกตอนนี้เราจะไปฝึกตอนไหนแล้วมาอยู่ที่วัดป่าสุโโตฝึกไปเลยนะวันนี้คนที่มาใหม่วันแรกอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะนอนไม่เคยหลับการนอนหลับก็ฝึกสติได้เวลาจะนอนอย่าไปคิดอะไรปล่อยมัน นะเรื่องราวทั้งหลายปล่อยมันไปนะบางทีมันอาจจะแข็งบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเอาผ้าปูใหญ่ให้มันนุ่มนิดหนึ่งถ้ามันไม่หลับก็หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆปล่อยมือสบายๆนะไม่ต้องไปอยากให้มันหลับถ้าอยากให้มันหลับมันจะไม่หลับนี่ฝึกสติกับการนอนพรุ่งนี้ตื่นนอนเนี่ยถ้ารู้สึกตัวจะ่พึ่งลุกหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวที่นี่โอโซนอากาศสดชื่น นะบางทีมีกลิ่นดอกไม้ป่านะถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกเนะี่ยมันจะมีกลิ่นหนอนอ่อนโชยมาเนี่ยอันนี้ยสดชื่นอากาศวันนั้นเรารับอารุณ์ด้วยความรู้สึกตัวแล้วค่อยๆลุกขึ้นมากระดิกมือกระดิกเท้ารู้สึกตัวลุกขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ําด้วยความรู้สึกตัวนะเปิดประตูเบาๆถ้าเพื่อนก็ยังไม่ตื่นเปิดเบาๆอย่าเปิึง้งปังพึงปังโออย่างนี้นะไม่มีสเตะเดี๋ยวเพื่อนก็ พี่ยู่ครั้งหนึ่งนะอาตมาเคยได้มีโอกาสไปกับหลวงพ่อเทียนไปท่านไปอบรมแล้วก็ชวนนะอาตมาไปตอนนั้นปีสองห้าไปนอนกับหลวงพ่อเทียนโอ้โหท่านเงียบมากเลยท่านตื่นตอนไหนท่านนอนตอนไหนแล้ไม่รู้เลยเงียบมากๆเลยนะคนมีสติเนี่ยนะโอ้เราทําเสียงดังไม่ได้เกรงใจท้าย น, นะเคยไปกับหลวงพ่อคําเขียงก็เคยโอ้เงียบมากเลยครูบาอาจารย์ท่านเป็นทำเป็ น, ท ำ, ปนทำเป็นแบบอย่าง เพราะนั้นการลุกการตื่นการนอนเนี่ยให้มีสติมันจะทําเบาๆเสียงไม่ดังไม่บรบกวนเพื่อนฝูงนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการฝึกสติเนี่ยเราฝึกได้ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบในกิจวัตรประจําวันนะตรงนี้มันจะทําให้การเจริญสติมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหลายคนเคยฝึกสติมานานแต่ก็ยังไม่ก้าวหน้านะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความต่อเนื่องไง ความต่อเนื่องนี่แหละสาคัญหลวงพ่อเทียนพูดว่าถ้าผู้ใดเจริญสติอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนี่ยท่านบอกอย่างนานสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดหนึ่งวัน1ึงเก้าสิบวันความทุกข์จะลดลงพระเจ้าท่านพูดเอาไว้นะผู้ใดเจริญสตินะอย่างต่อเนื่องอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดเจ็ดวัน อันนี้สองอันที่หนึ่งเป็นพระอาารันหรือเป็นพระอนาคาเมียแต่เราไม่ต้องเอาอะอนาคาเมีก็ไม่เอาอรันก็ไม่เอาเอาวันทุกน้อยลงเจ็ดวันเนี้ยลองมาพิสูจน์กันดูจริงหรือหลวงพ่อพเทียนพูดไม่จริงมั้งนะแต่จริงมันก็เออมันก็ประจักษ์กับตัวเราเองใช่ไหมว่าเอยนี่มันเป็นเรื่องจริงถ้ามันยังไม่ประจักษ์ยางน้อยๆเราก็พอที่จะผ่อนคลายบรรเทาความทุกข์หนักอกหนักใจในเราเราก็จะเห็น นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแต่ก็อย่างที่บอกในตอนบ่ายนะเรียนธรรมะอย่าได้หวังว่าจะได้อะไรธรรมะเป็นเรื่องปล่อยเรื่องวางไม่ต้องไปหวังผลทําไปเรื่อยๆเครียดก็พ่มันเพลินก็ดึงนิดหย่อนนิดตึงหน่อยนะทําดูตึงบ้างดูหย่อนบ้างเดี๋ยวมันจะมีจุดพอดีของมัน เ็าเรียกว่าจะวางใจกลางๆไอ้พูดคำว่าวางใจกลางๆเนี่ยมันพูดได้แต่ว่าเราปฏิบัตรจริจริงๆเนี่ยมันต้องตึงบ้างหย่อนบ้างแล้วเดี๋ยวมันจะกลางมันเองเราจะไปคิดเอาไม่ได้แต่ต้องเป็นประสบะการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติลองผิดลองถูกนะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้พูดได้คุยไปก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราได้นาไปพิจารณ า, าได้นาไปปฏิบัติ แล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชนนะ์สำหรับการปฏิบัติโดยเฉพาะคนใหม่นะก็จะอยู่ด้วยกันห้าวันบ้างเจวันบ้างนะได้แต่ปฏิบัติไปแล้วนะมีปัญหาอย่างไรก็ค่อยๆพูดคุยกันนะทั้งในส่วนของพระกะดีในส่วนของญาติโยมกด็ดีหรือแม่ชีกด็ดนะีก็เปรวรณาว่าเป็ น, เ ป, นเป็นกาลยาณมิตรนะเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์นะ พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะอันไหนที่พอจะช่วยกันก็จะช่วยกันอาตมาก็จะได้เรียนรู้จากโยมนะไม่ใช่ว่าอาตมาเอาสอนโยมแต่โยมอาจจะสอนอาตมาด้วยนะอาตมาเจอเอคนมาปฏิบัตินะสอนอาตมาเยอะนะบางทีไปยุ่งกับเขาอะ่ะนะบางทีเราก็ได้กลับมาดูตัวเราเองเออเราไปใบสอใส่เกลือกทําไมอะไรเงี้ยนะบางทีก็ต้องรนะมัดเนาะอาละ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากอย่างที่คิดนะเราเรียนรู้ได้ที่กายที่ใจของเราเครื่องมือสำคัญคือความรู้สึกตัวนี้เองขอให้ทำให้มันต่อนเนื่องเถอะแล้วก็ใช้เวลาทุกเวลานาะทีเป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวนะอะไรในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงกับคุณของพระศรีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะักเกิสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมก็จะทำความจริงที่แสดงปรากฏในะทั้งในส่วนกายส่วนใจและธรรมชาติแวดล้อมนะและพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนนะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญานะเป็นพลวัตปัจจัยหนุนนาให้ทุกท่านได้สัมผัสความเป็นปกติของใจ นะบ่อยๆแล้วก็ได้ถึงที่สุดแห่งทุกนะก็คื อ, อพระนิพพานในเรวันนี้โดยชั่วหน้ากันเทินเจริญพร